มีประเด็น อ, อื่นเชิญถ้าหากว่าเรารู้สึกแบบมองเห็นการเกิดดับแล้วแล้วไม่ปรารถนาในสิ่งใดแล้วถ้าหากว่าเราเรามีความคิดในลักษณะที่ว่าไม่ปรารถนาในสิ่งใดๆเลยอย่างเงี้ยครับแล้วมีผู้มีคุณของเราซึ่งมีการคาดว่าต้องการให้เราปรารถนาในสิ่งต่างๆแบบเนี้ยซึ่งเป็นความคิดที่ขัดแย้งกันอยู่นี่ถือว่าเราสร้างวิบากกรรมให้แก่ผู้มีคุณไหมครับ อืมไม่น่าใช่หรอกว่าก็เหมือนกับพระพุทธเจ้านะ่นะพระพุทธเจ้าก็บอกท่านออกบวชเนี่ยพ่อแม่ร้องไห้น้ําตานองหน้าอยูนะ่แล้วแบบนี้เรามีวิธีจะทำให้ท่านไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราคิดไหมครับโยมต้องตอบแทนด้วยการให้ธรรมะกับท่าน อก็คือให้ธรรมะก่อนจนกระทั่งท่านเข้าใจก่อนแล้วเราจรึงจะสามารถเลือกเส้นทางเหล่านี้ได้ใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ออันดับแรกการบวชเนี่ยหลังพุทธเจ้าบัญญัติแล้วเนี่ยจะต้องขออนุญาตพ่อแม่อยู่แล้วก็ต้องให้พ่อแม่เข้าใจก่อนให้พ่อแม่อนุญาตอนุญาตเสร็จแล้วเรามาบวชแล้วเนี่ยกลับไปให้ธรรมะท่านอีกทีดึงให้ท่านมีจาระ นะมีศีลมีศรัทธามีปัญญาเนี่ยนะก็อบอกชื่อเป็นเดือนตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างถูกต้องขอบคุณครับ <c oughs> ขาวในข้างหลังกับรับสภาป้าจางครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเพียบคุณการนิกาทำรารสเกนะฮะเขาออกทีวีซีแบนนะฮะเรียกว่าช่องคลิปชแนลคลิปชแนลนะฮะสองวันครับวันเสาร์อาทิตย์แว่าวันละมีสองครั้งคือเจ็ดโมงครึ่งตอนเช้าถึงแปดโมงครึ่งแล้วตอนบ่าย สโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเนยสาว์อิตยครับเขาเขียนว่าแบบทีวีชแนลอย่างเดียวอขอบคุณครับโอเคใครต้องการดูเนาะันก่อนก็ามาสัมภาษณ์ถามธรรมะที่นี่ไปทำมาสองครั้งแล้วมั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณห้าหกตอนหรือไง ใช่ใช่ใช่ใช่ก็มาสัมภาษณ์ตรงนี้ปพอดีก็ก็ถามธรรมะก็ <c oughs> แล้วแต่ประเด็นที่เขาถาม <c oughs> แล้วจะให้อิสระตามที่ประเด็นที่เขาถามอนน ะ, ะถ้าออกจากเราเดี๋ยวจะซ้ำ <c oughs> สหกราบนมัสการพระอาจารย์เมื่อช่วงเช้านะคะได้ฟังจากดูจากดีวดีนะคะที่ท่านสอนว่าคนคือจิตเมื่อเมื่อดับแล้วนะคะจะมีการเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในตมเกิดในตมแล้วก็เกิดในดินคืองอกขึ้นมาหมายความว่าไม่ใช่ในดินงอกขึ้นมา โอปปติกาคือผุดขึ้นมาเองผุดขึ้นมาเองในภพเทวดาก็ได้ในหมู่มนุษย์ก็มีนะในสัตว์นรกก็มีเปรตวิสัยก็มีผุดมาเองเฉยๆเป็นตัวขึ้นมาเฉยๆมีคําอธิบายขอท่านกุราอธิบายให้เข้าใจนะคะตรงที่ ว, ว่าเกิดขึ้นมาเองก็ไม่ไม่ต้องอาศัยปิดามารดาอะไรเกิดเกิดขึ้นมาเองเลยนะใจนิรมิตได้ พระอนาคามีก็เป็นโอปปปาติกะนั้นโอปปาติกะเป็นชื่อของระบบการเกิดในสี่แบบซึ่งมีในทุกภพเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าจะมีอยู่ในพวกเทวดาบางพวกมนุษย์บางพวก เ, เปรตวิสัยบางพวกแล้วก็สันนกบางพวกอขอโอกาสครับอาารมนุษย์บางพวกมีด้วยเหรอครับพุดขึ้นมาเอง ก็มนุษย์ผู้เจ้ามันมีสี่กลุ่มเราคิดว่ามีแต่มนุษย์อย่างนี้นะมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยผู้เจ้าบอกพวกที่อยู่ในชมพูทวีปมนุษย์ในชมพูทวีปและจะมีมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปแล้วก็อมาลโคยานทวีปแล้วก็ปุกพาวิเทหะทวีปนะจะมีสี่ทวีป <c oughs> จะมีแตกต่างกันอย่างเช่นว่ามนุษย์ใน ในบางทวีปเนี่ยจะมีอายุตลอดนะเช่นว่าถ้าร้อยปีก็ร้อยปีถึงจะตายไม่ตายในระหว่างอย่างเงี้ยนะอันนี้ไปหาดูคุณสมบัติได้อ่าคีคํคำว่า อ, อุตรกุรุทวีปไปก็ได้แล้วเดี๋ยวพระสูตรนี้จะขึ้นมาแล้วจะมีรายละเอียดบอกให้หมดเลยหรืออมระโคยานทวีปอมรแล้วก็สละโอคอควาย อมระโคแล้วก็ยอยยักษ์สลานอนหนูยานะแล้วก็ทวีปใช่ใช่ใช่คนละโลกใช่คนละโลกคนละทวีปก็อาจจะคนละดวงดาวทวีปของผู้เจ้าเนี่ยจะจะพูดไว้กว้างนะทวีปหมายถึงแผ่นดินอย่างนี้ก็บอกทวีปเหมือนกันแต่ทวีปคือลักษณะของน่าจะเป็นดวงดาวาที่ว่ามีมนุษย์คนละแบบกันอย่างนี้ นั่นก็เหมือนกับจริงๆที่ภาษาปัจจุบันว่ามนุษย์ต่างดาวผนะู้เจ้าก็พูดไปนานแล้ว ม, มีปฏิบัติธรรมด้วยไหม <c oughs> ม, มีปฏิบัติธรรมด้วยไหมจริงจริงแล้วผู้เจ้าบอกธรรมะนี้เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์และเทวดาพูดครอบคลุมหมดเลยแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ มีความรู้ในธรรมะนี้ได้แต่ก็ยังไม่มีว่าไปสอนเนาะแต่ไปไปสอนเทวดาเนี่ยมีนั้นในมนุษย์ประเภทอื่นก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ยังไม่เคยเจอตัวอย่าง ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ค่ะ เ, <อ>เป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็ศึกศาศาษาธรรมะนะคะแล้วก็เคยอ่านพบคือทางวิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็ได้อธิบายการเกิดขอ ง, อของสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยนะคะ<อ>สีลักษณะเหมือนกับของพระพุทธเจ้าค่ะกำลังศ<อ>ึกกาลังจะค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็จะนำข้อมูลมาถวายพระอาจารย์และกิจงานค่ะได้ดีขอบพระคุณค่ะ <laughs> ยังลองค้นคว้าตรงนี้จะได้ความอ๋ อ, อเชิญข้างหลังยกมือตรงเก้าอี้นะส่งส่งไปข้างหลังส่งส่งไปสี่โยมส่งไปเรื่อยๆนะ่ะส่งไปลอยไปนะอืเดี๋ยวถึงเองอะ่ะคือคือน้องสาวไม่กล้าถามแต่ตัวเองก็เคยได้ยินที่อจากซีดีของพระอาจารย์ พูดถึงว่าพระอรหันฝันนะะ่ยค่ะฝันพระอรหันฝันหรือไม่ <c oughs> ถ้าหากฝันเนี่ยฝันอย่างไรคะคืออยากทราบคะ่ะคือประเด็นตรงนี้เกิดมาจากที่เราให้เทียบว่าความแตกต่างของคําสาวกสาวกในประเด็นนี้จะพูดไม่เหมือนกันนะยกให้ อ, องค์หนึ่งท่านพุ้ ธ, ธู้ท่าบอกว่าพระหลานไม่ฝันนะลูกศิษย์ท่านพุธธ้รท่าก็จะบอกอย่างนี้ ลูกศิษย์หลวงตามหาบัวก็จะบอกว่าไม่ใช่หลวงตามหาบัวบอกพระหลานฝันลูกศิษย์สองสองสำนักนี้เถียงกันละนะลูกศิษย์หลวงพ่อช า, บ อ, า, อชาบอกว่าหลวงพ่อชาบอกพระหลานฝันน้อยที่สุดนี่ความเห็นที่สามไม่ฝันฝันแล้วก็ฝันน้อยที่สุดตกลงแล้วบาหลานฝันไม่ฝันนะก็เลยบอกต้องหาคำตอบโดยพุทธวจนะตอนนี้พุทธวจนะก็ หาไม่เจออีกก็ไปเจอในคำสาวกที่พระสาสดารับรองก็เปรียบเสมือนพุทธวจนะก็คือคำของพระทัพพระมรบุตรพระทัพพระมรบุตรเนี่ยเป็นพร ะ, ะหรหันต์แล้วก็ถูกถูกแกล้งถูกโจท์ด้วยการใส่ความร้ายๆต่างๆหลายเรื่องนะหลายครั้ง ครั้งหนึ่งก็นางเมตยาภิกษุณีแกล้งโจทย์พระทัพพะเพราะไปเชื่อพวกพระฉัพคีว่าพระทัพพะเนี่ยเป็นพระไม่ดีนะพวกภิกษุฉัพธีก็รวมหัวกันนะอแล้วก็บอกให้นางเ ม, เมตยาภิกษุณีช่วยนะนางเมตยาภิกษุณีก็เลยไปโจทย์ว่ า, าพระทัพพะเนี่ยกลมขืนนางเมตยาภิกษุณีออืม่าพระเจ้าก็เลยเรียกมาสอบเรื่องถึง พระเจ้าก็ถามว่าทัาพพระทำจริงหรือเปล่าทัาพพระก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ <ś led> ไม่ตอบพระเจ้าก็ถามครั้งที่สองอทำจริงหรือเปล่าทัาพพระทัพพะก็ตอบเหมือนเดิมอีกถ้าผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบถามครั้งที่สามก็ตอบเหมือนเดิมก็เลยถามครั้งที่สี่บอกว่าทัาพพระบัณฑิตย่อไม่กล่าวแก้ข้อกล่าวหาเช่นนั้นถ้าทำจงตอบว่าทำถ้าไม่ทำจงตอบว่าไม่ทำ <laughs> บังคับและบังคับพระรละหันเราได้เห็นการโต้อตอบระหว่างพระละหันประเภทพระพุทธเจ้ากับพระละหันธรรมดานะว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วพระทัพภาก็ไม่ตอบตรงๆ น, นะ ม, มีมุมอีกนะ <laughs> พระทัพภะก็เลยตอบว่าแม้โดยความฝันข้าพระองค์ยังไม่เสพกามเลยนะนั่นก็แสดงว่าพระหานฝันแต่ไม่ฝันเสพกามเห็นนะซึ่งพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็คือตัดสินเลยว่าให้ศึกนางเมตยาภิกษุณี นะแสดงว่าผู้เจ้ารับรองคําของพระทัพพระโดยปริยายแล้วจึงเอาไปตัดสินได้ใช่ไหมอย่างนี้ซึ่งซึ่งทําให้เราทราบว่าพระหัน์เนี่ยฝันและฝันน้อยที่สุดซึ่งคําพูดของพระทัพพะจึงเป็นเสมือนหนึ่งคําพู ด, พ ด, พดพผู้เจ้าเพราะผู้เจ้ารับรองแล้วนะอะ่นี่คือมุมการรับรองอีกมุมหนึ่งเพราะผู้เจ้าตัดสินนางเมตยาภิกษุณีทันทีเพราะทีแรกไม่ตัดสินเนี่ยต้องสอบสวนพระทัพพะก่อนใช่ไมืม ได้ข้อยุติอย่างนี้เห็นนะนั้นปัญหาในในโลกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันสามารถยุติด้วยพุทธวจนะได้แต่ขอให้ใช้พุทธวจนะอย่างเดียวนะคำศาสดา ข, ของเรานะพอเข้าใจนะ <laughs> อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งขัดแย้งกันไงงงกัน <laughs> มีประเด็นอื่นนะเชิญ <laughs> หมดหมดกิเลสแล้วฝันแบบไหนไหมหมายถึงถามถึงพระทัพพระเนี่ยเหรอ <c oughs> <c oughs> ก็ก็ท่านบอกว่าท่านฝันแต่ท่านไม่ฝันเสพกามไงอ่าฮะก็จะเป็นฝันเรื่องอื่นไปอย่างเนี้ย เรื่องความฝันนี่เด่นอะเจนเจนเนี่ยตอนนเรื่องความฝันนะครับถ้าบางครั้งเราฝันแล้วจําได้บ้างไม่ได้บ้างนี่เป็นเพราะว่าเราขาดสติในการหลับหรือเปล่าครับอืมก็ไม่เราคงไม่สามารถจําความคิดเราได้ทุกความคิดนะถึงโยมจะมีสตินิจโยมก็จําได้ไม่หมดหรอกนะอืก็ธรรมดาจําได้ก็จําจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหตุปัจจัยอะไรไ้ยครับว่าเหตุปัจจัยอะไรที่ เราจําได้หรือว่าจําไม่ได้ก็เป็นผู้มีธรรมชาติแห่งความทรงจําดีมากน้อยแค่ไหนนะแต่ละคนเนี่ยจะเป็นมนุษย์ที่มีธรรมชาติแห่งการทรงจาเนี่ยดีไม่ดีไม่เท่ากันผู้เจ้าจึงบอกคุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับผู้ที่พอตัวเพื่อผู้อื่นคนที่จะพอตัวเพื่อตัวเองและเพื่อผู้อื่นได้นั้นเนี่ยต้องเป็นผู้มีธรรมชาติแห่งการทรงจาที่ดีเพื่อที่จะเอาไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้นะอย่างนี้ ก็เป็นกรรมของแต่ละคนที่สร้างมาเหตุปัจจัยที่สร้างมาไม่เท่ากันแล้วเหตุปัจจัยในเรื่องการทำให้เรามีความจำดีนี่คืออ๋อก็พยายาฮะว่าไงเสริมธาตุขัน ก็เอาวิตามินเสริมไ้ด้วยก็ถ้าถ้าธรรมดาก็คือต้องสาธยายบ่อยๆสิ่งที่เราทรงจำมาเอาไปสาธยายท่องบนมากๆนะก็จะทำให้ทรงจำได้และมีความใส่ใจในเรื่องนั้นมากๆนะืซนี่ย เปิดทิ้งไว้เลยนะไมไม่ต้องปิดเปิดทิ้งไว้เลยเดี๋ยวทั้งหมดแล้วเปลี่ยนฐานนะกดแช่ไว้ยังกดแช่ไว้นิดหนึ่งสีสีเขียวขึ้นไหมสมมุติว่าเราปฏิบัติทร ม, มนะคะอินทรียังไม่แก่กล้าค่ะพระอาจารย์สิ่งที่เราควรเราควรจะสังสังวหรือมีสติ เช่นยกตัวอย่างก่อนที่สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ก่อนที่จิตเราจะดับกันนะคะมนก่อนที่จะออกจากร่างจะตายนะคะอาจารย์สิ่งที่เราควรจะยึดนะคะสมมุติว่าเรามีสติณัจุดนั้นนะคะควรคนจะยึดอะไรยึดกายยึดกายยึดกายฟันฟันธงได้เลยยึดกายหมายถึงว่าเอาจิตเกาะกายเข้าไว้อย่าไปเกาะ อ, อย่างอื่น นะผู้เจ้าให้เอาจิตเกาะกับกายจนลงหายใจสุดท้ายของชีวิตถ้าจิตโยมลืมเกาะอยู่กับกายโยมกำลังไม่ได้อมะตะถ้าจิตตราบใดจิตโยมเกาะอยู่ที่กายโยมกำลังได้อมะตะคือนิพพานนะผู้เจ้าจึงบอกว่าผู้ใดบริโภคกายยักตาสติผู้นั้นชื่อว่าบริโภคอมะตะคือจิตโยมเกาะกายโยมกาลังได้อมะตะ กายยักตาสติอัญชลเราใดหลงลืมอมตะชื่อว่านชนเหานั้นหลงลืมถ้าโยมลืมมาจิตอยู่กายโยมก็ลืมอมตะต้องอยู่จนสุดท้ายของชีวิตคนที่จเจริญ น, นาปามาเป็นอย่างดีชํานาญเนี่ยจะรู้ลมหายใจแม้ลมหายใจสุดท้ายของชีวิตนั่นแสดงว่าผู้เจ้าให้อยู่กับลมหายใจจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตถึงจะรู้ใช่ไ่าไม่ให้หนีไปไหน วิญญาณเนี่ย <c oughs> มันวนอยู่ในสี่ขันนี่ไงโยมผู้เจ้าให้ละสามขันเนี่ยนามธรรมเวทนาสัญญาสังการแล้วจิตมาเกาะกับกายให้บ่อยที่สุดให้มากที่สุดให้ชํานาญที่สุดเพราะถึงเอาจิตเกาะกับกายแล้วมันก็จะหลุดไปหลุดไปนี่หลุดไปนี่หลุดไปอยู่ตลอดเวลาดึงกลับมาดึงกลับมาเกาะกายเข้าไว้จนกระทั่งตายเลยพอกายแตกทําลายปั๊บเนี่ย จิตจะวนไปก่อนนามธรรมเราทิ้งมาตลอดทั้งชีวิตนั่นคือเราจะชำนานพระพุเจ้าบอกในที่สุดวิญญาณเนี่ยจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้รูปก็คือแตกทําลายไปแล้วเกาะไม่ได้จะเกาะนามธรรมก็ฝึกมาทั้งชีวิตชํานานวิญญาณจะหลุดพ้นเพราะสร้างรูปนามไม่ได้อย่างนี้อืถ้าถ้าถ้าไม่หลุดนะตอนนั้นก็ต้องไปอบายถูกไหมครถ้าไม่ไม่อะไรนะไม่หลุดไม่เกาะไม่เกาะยึดกายนะ จุดก่อนที่จะแตกดับอะเจ้าคะก็คติไม่แน่นอนไม่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนคืออยู่กับการกระทําของเราใช่ไหมเพราะว่าจิตที่หลุดไปหลุดไปในกุศลอกุศลล่ะนามธรรมสามอย่างมันมีทั้งกุศลอกุศลหมดยมหลุดไปเกาะอะไรอกุศลก็ไปอบายก่อนใช่ค่ะเข้าใจจ้าค่ะจริงต้องเลี้ยงจิตอยู่กับกายเขาไว้ให้มากที่สุด เนี่ยจงจำหลักการตรงนี้ไว้เลยนะเพราะฉะนั้นมักวิธีอะไรก็ตามที่ไปทำให้เกิดพบคือเกิดการรับรู้ขึ้นมาไม่เอามักวิธีนั้นอย่างช้าเพราะฉะนั้นพู้เจ้าจึงสอนละนันทิบ่อยๆไงก็คือรับผิดรับรู้อะไรปั๊บนี่วางเลยเหมือนกับวิธีสักแต่ว่ารู้พอรู้ปั๊บวางเลยรู้ปั๊บวางเลยอย่างเนี้ย สั์แต่ว่ารู้ไม่ใช่รู้ไปเรื่อยๆปล่อยรู้ไปไม่ใช่แต่รู้ปั๊บเนี่ยรีบวางอารมณ์นั้นรับลับอยู่กับกายจิตรับรู้ปั๊บรีบวางกลับอยู่กับกายหลักการคืออย่างนี้และแล้วต้องขาดทันทีไหมก็คืออยู่ที่ความก้าวหน้าหรือความชำนาญยมชำนาญมากก็รับได้เร็วดึกกระพิบตาผู้เจ้าก็เรียกอินทรีย์เปรนาชันเลิศ ชำนาญ น, น้อยมีอุปทานมากมันก็ยังมีเยื่อใยอยู่อไอ้เยื่อใยเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าสัตว์โลกเนี่ยมีความอาลัยเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอาลัยมันจะมีความเยื่อใยในอารมณ์น ะ, ะไม่ว่างอ่า <c oughs> ได้หลายอย่างลมหายใจก็ได้ การเคลื่อนไหวรีบดก็ได้การทำงานในปัจจุบันก็ได้ชั้นหนึ่งสองสามสี่ก็ไดนะ้ล้วนเป็นกายยกตาสติทั้งหมดพระเจ้าจะตัดอธิบายกายยกตาสตนะิว่าเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวรีบดการทำงานในปัจจุบันนะการเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่เป็นกายหมดเป็นกายยกตาสติ การให้จิตตั้งอยู่กับอารมณ์อันเดียวใช่สมาธิอยู่ที่ว่าตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วมั่นอยู่นิ่นิ่งดานไหมถ้านานถึงจะเป็นสมาธิแต่ขอให้โยมกลับมาตั้งที่นี่แค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็ได้แล้วนะอืมศีล ส, สมาธิปัญญาก็อยู่ณนะจุดนั้นแล้วอย่างนี้อืม ก็นี่แหละเป็นวิธีแก่จะเจ็บปวดยังไงก็ตามโยมต้องกลับมาที่นี่ถึงโยมจะเจ็บปวดจิตโยมก็แกว่งไปโน่นไปนี่อยู่แล้วก็แทนที่จะแหวงไปที่อื่นแหวงมาที่นี่กลับมาที่ลมกลับมาที่ลมกลับมาที่ลมเรื่อยเืยใช่อย่าให้มันแกว่งไปที่อื่นนะพูะเจ้าจะตรัสอีกอันว่าเธอจงมีสติและสัมปชัญญะ รอคอยการตายน ะ, ะแล้วก็อธิบายสติปัฏฐานสี่แล้วนั่นก็คืออนาปานั่นเองเพราะอนาปานี่ยผู้เจ้าใช้ในการอธิบายสติปัฏฐานสี่นั่นคือโยมรู้ลมหายใจอย่างเดียวได้นิพพานแน่นอนน ะ, ะรู้ลมจนรอคอยการตายเลย ก็ทำเดี๋ยวนั้นก็ได้นิยอมทําไมไม่ทําล่ะอยู่ที่ความเพียรเขาใช่ไหมไม่ฝึกก็ฝึกเดี๋ยวนั้นนะใช่ไหมอืมอันนี้พูดถึงกรณีทั่วไปที่คนไม่ฝึกนะคงคว<อ>ามสามารถไมอ่ฮไม่แน่ไม่แน่ประมาทไม่ได้พระผัดคุณนะยังบรรลุเวลาใกล้จะสิ้นชีวิตเลยหลายพระผัดคุณนะอ่าและคนหลายๆคนบรรลุตอนสิ้นชีวิต ซึ่งพระเจ้าบอกว่าการบรรลุธรรมและการตายเขาเกิดไม่ก่อนไม่หลังกว่ากันมันจะมีอีกแก๊กหนึ่งตอนตายเพราะว่าคนกำลังใกล้ตายเนี่ยอินทรีย์บา ร, รมีมันจะมากมันตายจริงแล้วเนี่ใช่มมันจะตายจริงะมันเริ่มรู้ตัวละฟังธรรมะเริ่มเข้าละแต่ก่อนไม่เข้าอันนี้อยู่ที่ความชนานาญ ถ้าชำนาญก็กลับมาทันไม่ชำนาญก็ปลิวตเตลิดเลยจิงต้องให้คล่องไะต้องให้คล่องอือปุ๊บปั๊บนี่โยมมีปัญหาอะไรนึกถึงลมก่อนนึกถึงลมนึกถึงลมเรื่อยเรืยให้เกิดความคุ้นเคยเคยชินนะอือ อออออืืติดในคำบริกรรมก็ไปอยู่กับนามธรรมซึ่งนามธรรมสามตัวเนี่ยผู้เจ้าไม่ไม่ให้ไปอยู่นะอ่าผู้เจ้าไม่ให้ไปอยู่กับมีเวทนานี่อยู่ได้ในส่วนอุเบกขานี่ได้นะแต่ในสัญญาสังขารเนี่ยไม่ไม่ได้ให้เข้าไปอยู่นะการเปลีนในความคิด ให้อยู่กับกายตอนนี้ถ้าโยมบอกไปจับอยู่ในความคิดต้องดูว่าความคิดนั้นเนี่ยทำให้โยมเนี่ยเกิดปิติเกิดความสุขได้หรือเปล่านะก็อาจจะไปสู่สุกติโลกสวรรค์ก็เป็นได้แค่สุกติโลกสวรรค์นะเพราะว่า <c oughs> ถ้าได้ปิติได้สุขแล้วจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตไม่ตั้งมั่นเห็นเกิดดับไหมนะอันนี้คือขั้นตอนต่อไปว่า ปิติเกิดสุเกิดแล้วจิตตั้งมั่นไหมจิตตั้งมั่นแล้วเห็นเกิดดับอีกไหมนะจิตตั้งมั่นอย่างเดียวก็ไปเป็นเทวดานะพ้นจากเทวดาแล้วก็ยังไม่พ้นนรกเพราะจะเป็นเทวดาที่เป็นปุถุชนแต่ถ้าจิตตั้งมั่นเห็นเกิดดับบวกกันไปก็จะเป็นเทวดาที่เป็นอริยบุคคลนะ อ่าฮะที่ย่าผตาก็เลยสงสัยว pro> ่าขที่ดับไปเนี ouais ่ยกับความบริกรรมก็อยู่ท um> ี่เขามีศรัทธาหรือเปล่าเหมือนโยมนั่งท่องกระโถนกระโถนกระโถนโยมซึ้งในกระโถนไหมล่ะอันนี้กระโถนศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยแล้วก็เข้ากะออกโถนเข้ากะออกโถนเพราะเขาไม่รู้ไม่รู้ความหมายอ่ะ ตัอะไรเอาให้ท่องเอาท่องก็ท่องอย่างเนี้ยใช่ไหมอืมแล้วถ้าเกิดฝึกกายยัคตตาสติอะคะอ่ะแล้วก็บริกรรมผมขนเล็บฟันหนังไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยคะ่ะแล้วถ้าเกิดดับไป <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นนะคะอยู่อันนี้ถือว่าเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนี่ย <c oughs> เขาให้ไข้ควรให้คิดเนี่ย <c oughs> เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายในกาย <c oughs> ใช่ไหม คิดตรงนั้นแล้วได้ั้มล่ะเบื่อมั้ยหรือว่าคิดแล้วก็เฉยๆออ <laughs> นะอะมันก็ได้ผลเท่าที่เท่าที่ตัวเองทำได้ตรงนั้นนะ <laughs> อนสุภัฒเนี่ยโยมปรุงแล้วโยมต้องเกิดความเบื่อหน่ากกนไไยก็ได้ตามภูมิธรรมแล้วนะ <laughs> อาจจะเฉียวเฉียวแค่ปลอดภัย ส, สุดอนาปาเนี่ยน ะ, ะเพราะพระผู้เจ้ายืนยันเลยว่าถ้าไม่ลืมเนี่ยได้อมตะแน่นอนนะอาจา้ครับกรณีที่เรายึดอยู่กับอนาปานสติตอดเวลาหรื อ, อว่าเรายึดอยู่ในกายตอดเวลา ถ้าหากว่ า, าจิตเราดับไปแล้วเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเปล่าครับเพราะว่าเรายึดอยู่ในกายตรงนี้ถ้าโยมมีปัญญาพอปั๊บเนี่ยจะหลุดพ้นเลยเพราะถ้าโยมอยู่ในกายได้จริงเนี่ย <c oughs> นะการเกิดใหม่จะไม่มีพอกายแต่ทําลายปุ๊บวิญญาณจะตั้งหาตั้งอาศัยไม่ได้ถ้าโยมยึดอยู่ในกายได้จริงแสดงว่าวิญญาณเนี่ยไม่ไปสร้างนามมาทำอื่นอีกสามตัวใช่ไหมการเกิดจะไม่มีไงโยมเข้าใจไม เพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยต้องดูละเอียดไปถึงการเกิดในจิตที่จิตเนี่ยวิ ญ, ญญาณไปรับรู้ปั๊บเนี่ยเกิดแล้วแล้วก็วางทันทีใช่มีมาเจอไม่มีเหรออามีสีเขียวขึ้นมะ ไม่ขึ้นกดแช่นิดหนึ่งกดแช่อ่าใช้ใช้ก็ได้ไม่ค่อยได้ยินอันนั้นเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วถ้าเราสิ้นลมหายใจแล้วนะคะถ้าเกิดเราไปติดอยู่ใน อ, อบายใช่ไหมคะแล้วบุญกุศลที่เราทำตั้งแต่สะสมมาเนี่ยจะช่วยมีส่งผลให้เราได้ไหมคะอ๋อยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนหรอกถ้าโยมระลึกได้ <c oughs> แต่ถ้าไป อ, อบายแล้วนานหน่อยนะ จะต้องวนเวียนอยู่นานไหมคะถึงกว่าจะพ้นตรงนั้นที่เราไปเผลอไปติดอยู่อะค่ะนานไหมผู้เจ้าเปรียบเทียบความนานขนาดนี้สนใจไหมต้องต้องวางหมากให้ผู้เจ้าอุปมาอย่างนี้ว่ามีน้ําท่วมโลกไปนี้ทั้งใบบุรุษคนนึงหย่อนแอกไม่ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ํานั้น ลมก็พัดไปเหนือใต้ออกตกนะในน้ํามีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาทีหนึ่งใช่ไหมเนี่ยผู้เจ้าถามเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่มาทีจะเจอไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีลูเดียวน้ําท่วมทั้งโลกเนะี่ยยมเต่าก็ตัวนิดเดียวตาบอดอีกอะไรไม้ไผ่กันนิดเดียวนั่นหมาความยากเนาะอุณานานมากผู้เจ้าจึงบอกท่านไม่เห็นการจองจําอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้าย ยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกับในแดนฉันหรื <c oughs> อเปลดวิสัย <c oughs> โลกนี้คนเยอะถ้าเทียบกับสัตว์โลกดวงจิตทั้งหมด <c oughs> น้อยมากเลยนะน้อยน้อยสุดๆเลย <c oughs> นะอือ <c oughs> ก็ยังน้อยเปอร์เซ็นต์ยังน้อย <c oughs> นะ ดวงจิตมหาศาลเลยถ้าโยมถ้าโยมได้ดูสารคดีฝรั่งอยู่อันนะอืมหลังจะมาถ่ายให้ดูที่เขาถ่ายตั้งแต่โลกของเราแหละแล้วดึงไกลออกไปเรื่อยๆนะจนเห็นระบบของกาแล็กซีของจักรวาลของทุกอย่างเลยนะโอ้ยโยมจะเห็นว่าโลกเราไอ้หกพันล้านเนี่ยขีฝุ่นของจักรวาลของอวกาศมันนิดเดียวนะน้อยมาก แล้วดวงจิตนี่มากมายไม่มีประมาณเนะี่ยเม็ดทรายในมหาสมุทรยังไม่เทียบเลยนะมากมายมหาศาลก็ไอ้คนหกพันล้านคนมันกระจิ๊ดหนึ่งนะดวงจิตมันแออัดยัดเยียดเนี่ยมาเกิดมนุษย์ยากมากนะจะไปพบอื่นสมบัตซึ่ง <c oughs> มนุษย์ที่ตายแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็จะเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บที่พระเจ้าเขี่ยออกมานะที่ไปที่อื่นเนี่ยเปรียบเหมือนดินในมหาปตพี ที่กลับมาได้เป็นมนุษย์อีกเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บโอ้น้อยมากนะน้่นมนุษย์ส่วนใหญ่ตายแล้วไปที่อื่นหมดนะเจ้านีถ้าไม่แตะไม่ถึงโซดาบันเนี่นะอ๋ออ๋อใช่ใช่ใ ช, ใช่ก็จะเจออีกสองข้อที่บอกไปเมื่อข้าวันเสาร์ในเรื่องของที่ พระโสดาบันเนี่ยจะมีมีความรู้ว่าจะไม่มีสมณะพราหมณ์เหล่าไหนในโลกที่สอนได้เหมือนพระพุทธเจ้าอีกแล้วนะก็คือมั่นคงในศาสดาตัวเองมากและเชื่อในคำสอนของศาสดาตัวเองละเอียดปราณีที่สุดแล้วนะจะมียานตัดสินตรงนี้นะก็เหมือนกับพอเราฟังคำพูดคนอื่นเนี่ยมันจืดไปเลย เหมือนพอยมอ่านพุทธวจนะยมไปอ่านหนังสืออื่นนะของคําสอนนะจะเป็นสาวกก็ตามมันจืดมันไม่เคยมีสาระเลยเป็นอย่างนี้จริงๆยมต้องอ่านพุทธวจนะมาเป็นปีนะยมจะไม่อยากหยิบหนังสือธรรมะอื่นเลยะมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เป็นไรจะไม่ได้ขอบทเดียว <c oughs> พุทธเจ้าบอกขอบทเดียวก็เป็นผู้อุทิศหลุดพ้นได้แล้วเชิญให้คึ้นบัน อาจารย์คะในพุทธวจะนะได้กล่าวถึงเรื่องของภัยพิบัตริหรือเปล่าคะเอามีเหมือนกันแต่อีกหลายแสนฟีนะยังก็บอกพูดเกี่ยวับเรื่องภัยพิบัตริหรือเปล่าน ะ, ะหนึ่งสองนี้ยังไม่ ม, ไมีไม่ได้ระบุพอสอนะเพราะองค์บอกอีกการนานไกลจะมีฝนแรง อีกหลายแสนปีไม่ใช่การนานไกลหลายแสนปีนี่ผ่านมาแค่สองพันกว่าปีงนะยังอีกนานเลยแล้วก็หลังจากฝนแรงเนี่ยพวกพืชพันธุ์ดัญญาหารมันจะตายเกือบหมดหมดทั้งโลกแล้วก็จะบอกว่าอีกการนานไกลเนี่ยจะมีดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏ อืที่เราบอกโลกร้อนนี่ยังร้อนไม่พอนั้ น, นี่ยจะมีร้อนกว่าอีกเรื่อยๆพวกหนองคลองบึงอย่างเงี้ยจะเหือดแหง้ง <c oughs> <c oughs> นะและอีกการนานไกลดวงที่ดวงที่สามจะปรากฏอืมพวกแม่น้ําจะเหือดแหง้งอีกการนานไกลดวงที่ดวงที่สี่ปรากฏมหาสะที่เป็นต้นน้ําของแม่น้ำเนี่ยจะเหือดแหง้งอีกกานานไกล ดวงที่หปรากฏนิทะเลเหือดแห้งอีกการนานไกลดวงที่6ปรากฏแผ่นดินละอุเป็นควันและ ก, การนานไกลดวงที่7ปรากฏเนี่ยแผ่นดินละลายมหาปฏาปีละลายแต่ละอันเนี่ยพระเจ้าจะขมวดมาที่ความไม่เที่ยงบอกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วต่อความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอนเลยมีความเสื่อมแปลเปลี่ยนไปได้ แล้วก็จะบอกว่าใครเล่าจะคิดว่ามหาปัตถพีอันยิ่งใหญ่นี้จะละลายไปได้นม น, นอกจากผู้มียาอย่างรู้ที่เห็นแล้วเนี่ยก็เลยยึดอะไรไม่ได้ในโลกะายวางให้หมดเชเนี่ยแต่ครับเมื่อกี้ปาจายพูดถึงว่าพระตาคตเชียรว่าให้ รู้ธรรมะเป็นบทเดียวก็พอแล้วพผนได้แล้วนั่นน ะ, ะมันก็ว่าเขาต้องรู้คนาดที่เรียกว่าเป็นสมาธินิพิตใช่ไหมฮ ะ, ะเห็นแทงตลอดใช่ไหมอ๋อใช่ต้องต้องเรียกว่าอ่ามีโยนิโสมนสิการแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอย่างพวกนี้ในธรรมบทเดียว น, นั้นเมื่อวีนผมไปอ่านออริยสัจพระอษฐภาคตน้น หน้าเจ็ดร้อยห้าสิบห้าคุณทางเพื่อความหลุดพ้นมีอยู่ห้าทางใช่ตัวนี้เป็นตัวที่ห้าใช่ไหมครับพี่ว่าที่เรียกว่าสมาธินิมิตนะฮะคือรู้แทกรู้แจ้งแท็ตลอดก็บดเดียวนะฮะขอบคุณครับอ๋ออะไรก็ได้ อริสสีก็มีบอกพูดสี่บทก็มีรู้เพียงสี่บทก็หลุดพน้นอย่างนี้ก็คือตัวอริสสีรู้ตัวเดียวก็จะมีเรื่องสติการละนันทินะอนาปาอย่างนี้ก็ได้อขอคําเดียวไม่เที่ยงก็มีไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังนัตตา<ม>เชื่อเดียวข้างหลังคนทั่วไปนะคะก็ยังไม่อยากละความเพลิน<อ>ยังอ ย, อยู่ในความเพลิน มีข้อธรรมข้อไหนไหมคะที่เราจะชักจูงในเบื้องต้นเพื่ อ, อให้เขายังอยู่ในความเพลินได้โดยที่เขายังเข้าแล้วก็ดึงเขาเข้ามาในในพุทธวจนะก็ เ, เพลินได้ในกรอบอะอาตอมาว่าผู้เจ้าในยืดยืดหยุ่นที่สุดแล้วนะจะเพลินก็เพลินได้นะแต่อย่าผิดศีลห้าอย่างเงี้ยเราจะยกข้อธรรมข้อไหนของพุทธวจนะขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาได้ก็ให้เ้าเพลินอะไรก็ได้แต่บอกอย่าผิดศีลห้า จะเ ป, เป็นตัวดึ ง, ดงจะดูหนังฟังเพลงแต่งหน้าทาปากไปเที่ยวเตะก็ไปแต่อย่าผิดสินห้าหเพามันดีนะโยมนะเวลาแต่ก่อนสมัยนักเรียนเนี่ยเราไปเที่ยวพอเรานักรักษาสินนะเราก็จะเริ่มว่าไปเที่ยวแล้วเราจะไม่ทานเล่าละ จะเริ่มแบบเอ้ยเอาโคกแทนและกันเอาน้ำหวานแทนอะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามี ม, มีมาตรฐานอะไรของเราอยู่นะฮะเอานา้ำลูก อ๋ออ๋ อ, อ, อ, อก็ก็คือส่วนคําที่ว่านาำเนี่ยคือส่วนที่ไม่ใช่รูปรูปนี่คือมหาปุถุธาตุสี่อ่าเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ใช่รูปเนี่ยก็คือเป็นนามทั้งหมดมใช่ปัดเป็นนามหมดเลยฮไม่ใช่ดินน้ําลมไฟใช่ใช่อฮะ ถ้า ท, ท่านจะแตกลูกธรรมะออกไปไงจะแตกลูกธรรมะออกไปว่านามธรรมเนี่ยจะมีอะไรบ้างเพราะมันจะไปเชื่อมกับหลักธรรมหมวดอื่นอีกนะไม่งั้นคำสอนท่านก็จะมีมีแค่ขันท่าถ้าไม่เปลี่ยนคำพูดเลยนะมันก็จะมีแค่ห้าอย่างมันแตกลูกไม่ได้ โอ้ต้องถามว่าไปเจอมาจากไหนน ะ, ะได้ น, นี่นี่ต้องเอาไอแพดไปสแกนเลยลองใครใครลองคียมนนลองคียสิคียคำว่าสุชาดาแล้วก็เลขร้อยยี่สิบก็ได้ รู้สึกบ้างไม่รู้สึกบ้างแต่ถ้าเราเกาะกับอยู่กับตัวรู้ค่ะรู้แล้วก็เห็นมันเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ก็ยังมีกติที่ต้องเกิดต่อถูกไหมคะไม่อ่ะนั่นคือในที่สุดถ้าเราเกาะ อ, อย่างนั้นเนี่ยเกาะแต่ตัววิ ญ, ญญาณสุดท้ายแล้วใช่นะะในที่สุดเราจะปล่อยวางวิ ญ, ญญาณได้เพราะเราจะเห็นวิ ญ, ญญาณเป็นอนัตตาไม่เที่ยงออื คือแม้สุดท้ายสมมติเรารู้ลมแต่สุดท้ายเราก็จะเห็นตัวรู้ชัดคือรู้เกิดดับเกิดดับต่ อ, ตอไปเรื่อยๆ<ช>ถ้าสุดท้ายเราเกาะ ต, ตัวนี้ก็ยังจะมีวิ ญ, ญญาณที่ต้องไปเกิดไหมคะหรือไม่อ่าถ้าโยมยังเกาะ อ, อยู่โดยที่โยมไม่เห็นอาทินวะของมันคือเห็นโทษหรือเห็นเกิดดับก็ยังต้องไปเกิดแต่ถ้าจับอยู่กับตัวรู้แล้วเห็นตัวรู้เกิดดับก็จะปล่อยวางได้แต่ถ้าเกาะตรงนี้นี่คือไม่น่าตกอบาลเลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวกั้ ถ้ารู้สุดท้ายได้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วใช่ใช่แต่ว่าก็ยังมีโอกาสเกิดเป็นพรหมก็ก็อย่าพยายามอย่าพยายามพอใจในการรู้อ่าคนเรามักจะพอใจในการรับรู้รับรู้มาแล้วพอใจนี่คือมันจะเพลินต่อนะอยากรู้ต่อไปอยากรู้เพื่อที่อยากรู้ตัวรู้ไปเรื่อยๆอย่างอ่าใช่ทําให้การรับรู้ยานานขึ้น นั้นความนานของการรับรู้คือการเจริญ ง, งอกงามไพ่บุญของวิญญาณค่ะวิญญาณก็ยังอยู่อ่าอย่าให้วิญญาณเจริญ ง, งอกงามไพ่บุญ ร, รู้อะไรมาปับาป๊บวางเลยรู้ปั๊บวางเลยให้มันงอกงามในลมหายใจนี้อันเดียวพอจะทําก่อนตายยากมากเออแต่แต่ต้องทํา <laughs> อ๋อค้นหาคำว่าสุชาดาละร้อยี่สิบไม่พบแสดงว่าเป็นคำแต่งใหม่เนาะ <c oughs> ตอนนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเนี <c> ่ย <oughs> ตอนนี้ทุกคนมีข้อมูลอยู่ในมือเนี่ยโอ้โ oh, หสุดยอดเลยจะช่วยกันตรวจสอบไนงะ <c oughs> แล้วความจริงจะปรากฏชัดขึ้นเร็วมาก <c oughs> ใช่ใช่อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้ไม่เป็นไรเพราะว่าเอนักบวชนี้ก็คือจะแข่งคัดกว่าไงเพราะถ้าไม่ห้ามเรื่องพวกนี้ไว้นะเดี๋ยวพักก็ไปปลูกผักอ่ะ ปลูกผักกินทำสวนครัวได้ไหพอพูเจ้าห้ามตรงนี้ว่าเนี่ยจอดเลยพระเนี่ยปลูกผักปลูกพืชเองไม่ได้นะต้องอาศัยคารวะในการขุดดินนะเพื่อให้พระมีเวลาว่างมากนะเนี่ยจริงๆพผู้เจ้าเนี่ยเมตตาต่อภิกษุเพื่อตีกรอบเนี่ยให้บีให้ภิกษุเนี่ยเหลือแต่เดินจงกรมกับนั่งสมาธิไม่ให้ไปทำอย่างอื่นเนี่ย ก็ไม่เจตนาเจตนาโยมคือขุดดินนะพระเนี่ยใช้ให้คนอื่นขุดก็ไม่ได้นะสองกรณีขุดเองก็ไม่ได้ใช้คนอื่นขุดก็ไม่ได้ถ้าโยมต้องการ <c oughs> ต้นไม้เนี่ยโยมก็บอกคนสวนว่าอันเนี่ยอาตมาอยากได้ต้นไม้ตรงเนี้ย <c oughs> เขาไม่ขุดดินก็ช่างเขาแต่เราไม่ได้ใช้ให้เขาขุดนะ ระวังไว้เฉยเขาต้องมีปัญญาเองคนอุปถา พ, พานี่ต้องมีปัญญาว่าอะไรที่พนี่พูดไม่ได้นะฮะก็ไม่ได้พูดน่ะไม่ผิดกายวาจาไงแล้วแต่เขาไปพิจารณาเองซึ่งมันก็ไม่แน่นะจะคิดเขารู้ก็ไม่ได้อย่างเราเนี่ยเคยสอนคนสวนไปบอกว่าอ่ะประเคนน้ำปะนะเนี่นะ เวันก็ามาประเคนทีนะอืมแต่ก่อนมาที่นี่อยู่ครั้งแรกมันก็มีฐานน้ําปะนะมีกาแฟโกโก้น้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมาประเคนทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันทนีนี้ไอ้กล่องเนี้ยเขาประเคนจนชินเนี่ยพอมาประเคนเขาก็ประเคนตามความเคยชินทันทีน้ําตาลหมดกาแฟหมดโกโก้หมดเขาก็ไม่ดู้วๆตกลงประเคนขวดเปล่า ให้เราจะขอก็ขอไม่ได้อืมรับขวดเปล่าดีก็ว <c oughs> างไว้เหมือนเดิมผ่านไปเดือนหนึ่งพึ่งมารู้สึกว่าสงสัยจะประเคนมานานแล้วอาจจะหมดมาเปิดโอ้โหมดต้องนานแล้วเนี่ยก็ถามเอา้าหมดแล้วอาจารย์ไม่ได้ว่าโอ้หมดไปเดือนหนึ่งแล้วนี่ประเคนขวดเปล่าอยู่เดือน <c oughs> นั่นก็เลยคิดว่าบอกไปแล้วคิดว่าเขาจะเข่งคัดหรือไม่หรอกแล้วแต่เหตุปัจจัยนะ เพราะเขาเราว่าเขาไม่ได้เป็นคนรักษาเขาจะไม่มาเข่งคัดอย่างเราไงก็วัดดวงนะ <c oughs> อ่ะอ๋อแออยกอย่างนี้ง่ายๆอะไรที่สัมผัสได้ด้วยตา หูจมูกกลิ้นกายเนี่ยนะเนี่ยเป็นส่วนรูปอเสียงนี่ก็ยังเป็นรูปนะกลิ่นก็ยังเป็นรูปเรามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เนี่ยยังจัดว่าเป็นรูปเห็นความละเอียดมั้นะเพราะนั้นแค่ระดับรูปเนี่ยมีความละเอียดหลากหลายมากเลยแต่ใจเนี่ยก็คือรับได้ทุกเรื่องนะนั้นลูกตาเนี่ยไปรู้ความคิดไม่ได้หูก็ไปรู้ความคิดไม่ได้นะอย่างนนาเนี้ยนามธรรมเนี่ย อายนะห้าของกายจะเข้าไปรับรู้ไม่ได้ น, นี่เป็นวิธีตรวจง่ายๆ <c oughs> เรื่องพวกนี้ต้องไข้ควรอยู่นั่งสมาธิแล้วไข้ควรเอ๊ะอะไรเนี่ยปัญหาพวกนี้าตามานั่งแกะเองหมดเลยนะเนี่ยเอ๊สเะสังเกตนั่งแล้วสังเกตอะไรมันคือรูปอะไรคือ น, นามและอะไรอย่างเงี้ยมันจะจับแยกกันยังไงอะไรอย่างเนี้ย ความแตกฉานในธรรมไงเราจะได้ความแตกฉานแล้วเวลาเราเราอ่านธรรมะพระุทธเจ้าเวลาพระุทธเจ้าแตกลูกธรรมะไปเราจะเข้าใจมากขึ้นนะเราจะรู้สึกเลยว่าเล่มนนหนาๆเลยอ่านอุ้ยทําไมเข้าใจหมดเลยอย่างเงี้ยอือ <c oughs> รูปประพบปัญญาอย่างเงี้ยก็คือเป็นรูปเหมือนกันแต่ว่ามันมันลนักษณะมันจะเป็นไงเราไม่รับรูปทีย่ทั้งทงั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้ทั้งทั้งทั้งทั้งทั้งทั้มทั้งทั้งทั้ทท้้ <c oughs> นนังั Uh huh. อ, อ่ความแตกต่างอย่า ง, างสมมุติว่าอารูปประพบเนี่ยก็คือมันอาศัยขันทั้งสี่เป็นแดนเกิดเป็นภพใช่ไหมครับ uh huh. แต่ว่าถ้ารูปประพบเนี่ยมันก็ขันทั้งห้ากับการมปพบก็ขันทั้งห้าเหมือนกันแล้วความแตกต่างมันเอ อ, อารูปเนี่ยมันจะต้องอผู้เจ้าจะแยกด้วยการใช้เรื่องของสมาธิที่ตั้งแต่อากาสาขึ้นไปนั้นมันเป็นนามาธรรมก็จรงิงแต่ต้องเป็นนามาธรรมระดับละเอียดถึงอากาสา ถึงจะเป็นอรูปแล้วส่วนรูปประพบกับกรมะพบอย่างเงี้ยก็คือคือต่ํากว่านั้นลงมาได้ต่ำกว่านั้นลงมาแล้วเพามันมันต่างกับต่างกันยังไงระหว่างสองอันเนี้ครับกรมะพบกับรูปประพบความแตกต่างกรมะพบกับรูปประพบถ้าจะวัดความแตกต่างควรจะวัดในพระสูตรที่ว่ากายที่สําเร็จด้วยมหาพุทธธาตุกับกายสําเร็จด้วยใจคล้ายๆว่าตัวรูปประพบเนี่ยใจเนลมิตรแหละเป็นเป็นรูปอันเป็นทิพย์ ที่พูะเจ้าบอกว่าเทวดาทั้งหลายนะเสพรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์เนี่ยคุณครับาการมาพบคือกรรมชช่ใช่ถูกต้องใช่ เนยิ่งเราใคร่ควรเรื่องพวกนี้มากๆนะจะเห็นว่าโอ้โหผู้ชา้าไม่สุดยอดมากเลยท่านพูดละเอียดยิบแล้วก็รับกันรับกันรับกันรับกันไปหมดเลยนะกามมาคุณหา้าแต่อันนี้คือมีใจด้วยถูกไหมคะเพราะว่าเป็นพระอาหา ร, ระอาหันต์แล้วอ็ อ, อ, อ, อห้าตัวแล้วก็บวกใจอันหนึ่งคือควาว่าการอาจจะเพิ่มเข้าไป การจะมีได้ก็ต้องมีใจอยู่แล้วไงยู่เพราะว่าตัวกามมันมันไม่รู้เรื่องอะไรจะครบองค์ประกอบต้องมีใจอยู่แล้วใช่ใช่ละไม่ให้นอนด้วยกัน ไม่นอนได้นะห้ามนอนที่ผ้าปูนอนผืนเดียวกันตกไปหน่อยใช่ถ้าถ้าต้องนอนเบียดกันในห้องเดียวกันชิดๆกันเนี่ยต้องปูผ้าปูนอนผ้าไขรผ้ามันนะเพราฉนั้นผ้านเนี่ยถ้าไม่มีผ้าปูนอนนอนเนี่ยปรับความผิดด้วย น, ว น, นั้นเพราะเหงื่อมันจะซึมไป เค็มทำลายเสยนาสนะไงผู้จ้าจะให้เหงื่อมันซึมมาที่ตัวผ้าก่อนรองอีกชั้นหนึ่งะจะได้ไม่ทําลายเสยนาสนะละเอียดบได้เหมือนผ้าปูนั่งเหมือนกันใช้หลักการเดียวกันอ่าใช่ผ้าก็ห้ามพับครึ่งอ่าจะได้ไม่ซ้ํารอยเดิมอายุการใช้งานของผ้าจะยืดไปอีกเป็นหลายเท่าตัวนะแล้วก็ ส่วนสามเณรเนี่ยไม่ให้ให้นอนร่วมกันได้แต่ไม่เกินสามคืนเอาไหมเป็นพระหรือเป็นเณนบวชเป็นพระหรือเณรนี่พระกลัวผีเห็นไหมแล้ว เอออย่างนี้ก็จริงๆพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าสามเป็นพุทธเจ้าบัญญัติอนุปสมบันคือผู้ที่ต่ำกว่านักบวชเนี่ยพระนอนร่วมได้ไม่เกินสามคืนอ่าพอคืนที่สามเนี่ยต้องออกไปก่อนก็จะต้องอาบัติปาเจตีอาบัติเบาปลงได้ปลงได้ด้วยว่าจะอ่าไม่รู้ไม่เป็นไไม่ได้ ก็อย่างนี้เวลาตอนนั้นเนี่ยอย่างหลวงพ่อชาป่วยเนี่ยเขาจะเข้าไปอุปถากแล้วต้องมีสมมเณรอุปถาดเขาทำยังไงเพอจะครบสามคืนปั๊บเนียเน่ยเณนออกไปก่อนอย่าให้ฆ่าบอลลุณ น, นะตีสองตีสามเนี่ยเนรไปไปอยู่ที่ไหนก็ได้พอพ้นอารุณแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่ก็ถ้ากับไม่ครบสามคืน อ, อย่างนี้เหมือนจำปรรษาอย่างพระเจ้าอนุญาตให้ไปได้เจ็ดวันทน่านนี้มีพระอยู่องค์มีแม่ป่วย จะต้องไปอุปถากน ะ, ะมีญาติป่วยก็ไปทีละหกวันวันที่เจ็ดกลับมาพอวันที่แปดก็ไปใหม่อีกหกวันวันที่เจ็ดกลับไปใหม่ก็ถ้าครับไปได้ตลอดนะ อ, อย่าให้เกินเจ็ดหาทางออกไว้ได้อ๋อ <c oughs> <c oughs> พี่นาอสุภะก็ได้มันเราก็ผีเหมือนกันมันก็ผีไม่เป็นไรเรายิ่งกลัวโยมก็ปล่อยมันตายเลยนั่งตายบอกเอาตายแล้วเนี่ยตายเนี่ยวันนี้ยตายนะให้ผีมันมามันก็จะไม่มีอะไรนะนะก็แบบผู้เจ้านี่ยกลัวผีที่ไหนผู้เจ้าจะไปอยู่ตรงนั้นนะนะเอ่อ ท่านอยากจะดูว่าไอ้ตัวกลัวมันเป็นยังไงเห็นะอืมผูม้เจ้จาจะชี้ไปเลยว่าเป็นเปรตวิสัยสัตว์นรกยักษ์หน้าคนทันอสูรอะไรอย่างนี้แต่ไม่ไม่มีบทภรรณาว่าผีเหมือนคำ ป, ะประเทศไทยล อ, องคนไทยเราเรียกเรียกผีเป็นคำรวมเลยไงอะไรก็ผีหมดอะอย่างเงี้ย ก็จิตปรุงแต่งด้วยก็มีเห็นจริงก็มีนะซึ่งผู้เจ้าในกรณีเห็นจริงเนี่ยผู้เจ้าก็บอกไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าเรื่องแปลกประหลาดพิสดารในโลกมีเยอะก็จะยกอุปมาเหมือนบุรุษคนหนึ่งนั่งอยู่ริมสะโบยอย่างเนี้ยแล้วเห็นกองทัพช้างมาลดพลเดินเข้าไปในสายบัวแล้วเขาก็เดินตะโกนไปว่าเข้าบ้านแล้วชาวบ้านก็ถามไปเห็นอะไรมาเขาก็เล่าให้ฟังชาวบ้านเออเองเข้าบ้าแต่ผู้เจ้าบอกว่าจริงๆแล้วเขาเห็นจริง นั่นแสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยก็เห็นสิ่งพวกนี้ได้แต่ผู้เจ้าบอกว่าอย่าไปสนใจเลยเพราะว่าเรื่องแปลกในโลกนี้มีเยอะมากมมให้สนใจเรี่สส<ะ>องัตรีจะขอกั่ารบกวนถามว่ายังมีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องความฝันของพระอราหันต์อีกนิดนึงนะค ะ, ะ, ะคื อ, อ, อโยมสงสัยว่าปุตุชนเนี่ย เป็นผู้ที่หนาโดยกิเลสจิตใจก็จะต้องปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันจึงจะฝันใช่ไหมเจ้าคะอาาตอนนี้พระอาหารหันต์ท่านไม่มีกิเลสแล้วอาายามยามนอนทําไมถึงยังฝันอะไรอย่างนี้คะ่ะพระอาจารย์อ <c oughs> ถ้าอย่างนี้ยิ่งยิ่งหนักเลยเพราะว่าพระหลานไม่มีกิเลสคือวิ ญ, ญญาณจะไปเกาะอะไรท่านก็ไม่สนใจแล้วไนงะยิ่งปรุงแต่งจัดเลยนะยกเป็นพระหลานคนนั้นเนี่ยจะทําสมาธิบ่อยนั้นจริงๆแล้วท่านผู้ทาทพูดก็ถูก ถ้าพละานาผู้นั้นเนี่ยทําสมาธิมากก็จะไม่ฝันน ะ, ะเพราะว่าจิตจะอยู่ในสมาธิแต่พระอาจารที่ทําสมาธิน้อยบรรลุเร็วอาจจะพิาณาด้านปัญญาปุ๊บบรรลุจิตก็จะฟุ้งตามความเคยชินก็จะฝันเยอะหน่อยน ะ, อ, ะอย่างที่หลงตามหาบัวบอกนะหลงปูมั่นก็ส่งเสียงเ อ, อะอาข้างบนท่านก็วิ่งขึ้นไปช่วย นะจะไปช่วยหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็บอกเอ๊ะไม่มีอนะไรฝันหมามันขึ้นมาไล่หมามันไป <laughs> ตายฝันฝันไป <laughs> น, ะ อ, อ, นอย่างนี้จริงๆทั้งสามท่านก็พูดไม่ผิดไงเช่มะอ่าถูกทั้งหมด <c oughs> คืออ่เอาเกณฑ์ของตัวเองมาพูดมันมันจิงไม่เป็นเกณฑ์มาตรฐานไง ไอ้ต้นท้องข่ใช่เห็นคนละอย่างเห็นไม่ครบนะสาวกจะเห็นไม่ครบไม่ครอบคลุมเนี่ยเสียงอ่าจะเทียบอย่างนี้ได้ไหมคะว่าพระพรหันเนี่ยขันห้าท่านก็ยังทํางานอยู่ถูกต้องในในเวลาที่ท่านหลับอ่ะขันห้าท่านก็ทํางานเป็นสัญญากระสังขารแต่ในเวลาที่ตื่น ตื่นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้เรียกว่าความฝันเราเรียกว่าความฟุ้งความคิดชแต่พอนอนเนี่ยเรียกว่าความฝันพระลหันพุหมดกิเลสก็ยังเหมือนกับว่าขันให้ยังทางานอยู่แต่ไม่ได้ทางานไปในอกุศลใช่อย่างนั้นอธิบายอย่างนี้น่าจะได้ครับเรื่องสนะครับการยึดมั่นทนัแล้ว ใช่ถูกต้องอช่วงไหนก็ได้นะซึ่งผู้เจ้าจึงบอกว่าอปรมาจันจนี้ไม่ได้มีความบริบูรณ์ในสินเป็นเครื่องวัดเนี่ยนั่งถกกันเรื่องสินเนี่ยไม่ได้เอาความบริบูรณ์ในสินนะจริงๆนะแต่เป็นแค่บันไดขึ้นมาแล้วสินบกพ้่องอ่ะคนนั้นรู้สึกเศร้าหมองมาเฉยๆเพราะเข้าใจแล้วว่านี่เป็น เป็นเพียงกายกับวาจาเพราะว่าเจตนาไม่มีอย่างเงี้ยในตรงนั้นเนี่ยนะนั้นถ้าโยมเข้าใจกระบวนการการทำงานของจิตกับรูปนามปุ๊บเนี่ยโยมจะหมดความเศร้ามองตรงนี้เหมือนกับเวลาโยมคิดอกุศลขึ้นมาโยมก็จิตไม่ใช่ของเรามันจะไปคิดก็เรื่องของมันแล้วเราก็วางซะแล้วก็กลับมาอยู่กับลมอย่างเนี้ใช่ใช่เพราะรู้ชัดว่า สรรพสิ่งตรงนี้มันไม่ใช่เราเแต่ถ้าเราเศร้าหมองเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเอ๊ะทำไมจิตฉันคิดอคูสลเพราะมันมีจิตฉันเนี่ยเห็นนะอุปทานยังมีอยู่ <c oughs> <c oughs>